เมื่อ ว, วันนี้มันจะนันธรรมทานยึ้หมหักพุ่งฝังหลอดลมเลยเต็มเลจะไม่ไหวต่เป็นนับว่าวันนี้เป็นวันต้นในการเจริญพระธรรมทานความจริงการเจริญธรรมานนี้ถ้าพูดกันมากมันจาไม่ไหวนะไหวไหมไหวหมไม่หมดไม่หมดก็พูดน้อย ไปนอจะเด้นกรรมฐานแลว้วจบจะหมดไหม <c oughs> การเดินกรรมฐานพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังต้องการให้ทุกคนพนคุกถ้าคำว่าทุกเนี่ยแปลว่าทนได้ยากแล้จะเกิดที่ไหนมันก็ทุกข์เกิดในโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ พบจากความหิวความว่าหายจากการปวยแส้ไม่สบายความแก่การความปัน้ํานไม่สมหวังการทักท้ายแต่ของรักของชอบใจและมีความตายในสุดรวมความว่าโลกมันลบ จ, จริงๆไม่มีอะไรสุขมีแต่ทุกอย่างเดียวใช่ไหมะอะไรการทุอกดเพราะว่าความเกิดมีร่างกายเป็นสำคัญ อะไรจะหนี้ไปเกิดแสดงสติสัตย์เตีฉานประทุมากขึ้นเขาสัตย์ฉานจะเขาจะเลี้ยงดีไงก็ตามก็มีความตาชันาไม่สมหวังอยากกินอย่างนี้ก็ให้อย่างโน้อนอยากกินอย่างโน้นก็ให้อย่างนี้มไม่ดีว่าถูกคนมุมเหงืบ้างอะไรบ้างก็สัตย์เตี้ฉานจริงๆเขาไม่มีกฎหมายแน่นอนไม่ไม่มีใครคุ้มครอง จะถอยหลังไปเกิดในแดนนรกก็ดีแดนเปลือก็ดีแดนอสุรกายก็ดีทั้งสมแดนนี้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีการผ่อนทุกข์ต่อมาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดารุปตมเทวดาก็ดีผมก็ดีถ้ามีความสุขจะมีความสุขเฉพาะเวลาที่เป็นเทวดารุปตม แต่พอหมดปุลนัสนาบารมีก็กลับมาทุกใหม่ทำไมพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั industry, なな so ้งหลายที่นั่งเนี่ทุกคนที่นั่งที่นี้ที่เคยเคยเกิดเป็นเาวดาหรือปรมนไม่มีเพราะต่างคนต่างบวามพินบารมีมาดีแล้วที่ว่าความินบารมีมัดีเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญกรรมฐานพระบรดาเจ้พุทธบริษัท คือว่าเป็นมหาทูนใหญ่ในการปฏิบัติกรรมฐานนี่ทำได้ยากไม่ใช่เง่ายเพราะว่าเป็นบุญท่านสงศ์ในพุทธศาสนาในการเดินทางมาก็เสียงเงินเสียทองที่ทองอาจจะไม่ได้เสียนอกจะกตัว่วงกระเป๋าแต่ซื้อเสียงเงินไปล่อยก็เท่าซองทอง1บาทใช่ โลภความว่ามานั่งก็นั่งในความลำบากถ้าียเสียดยัดเยียดกันถ้าอย่างนี้ไม่มีคันติความอดทนหรือว่าไม่มีปีชีพมหากุศุนั่งทนไม่ไหวโลภความว่าทุกคนที่มานั่งที่นี่ก็ดีหรือว่าที่อื่นก็ตามตั้งใจประเปน็นกุศลได้ดีแสดงว่าบุญบา ร, รมีเก่ามีมากนี่คนที่มีบุญบา ร, รมีขนาดนี้ จะไม่เคยผ่านกับผ่านการเกิดเปรตเดืดอดดลทุกคมจะไม่มีต้องผ่านการไปรตวดือดดาล้วผมกันมาแล้วแล้วทําไมไมานั่งอยู่เข้าทำไอ่ะทำไมไม่ไปอยู่เปรตเดวดาแล้วกคมอะอ๋อตัวหญิงไม่เป็นเปรเ ด, ดานะเป็นนางฟ้าใช่ไหมกร็รูความว่าที่มาอย่างนี้เพราะบุญจากวาสนาบารมีที่เป็นเดวดดาลทุกมมันหมด ทนั้นหมดก็ต้อกลับมาทุกใหม่รวงความว่าเทวดาก็ดีคนก็ดีไม่หมดทุกรวงความว่าแดนทั้งหมดนี่ไม่มีแดนใดคนทุกที่พระเจ้าทรงการในทุกคนคนทุกตัว ค, ค, ค, คือประนิพพานตอนนีน้ผานในเบืองแดนนี้คนทุกจรจริงขึ้นที่ว่าความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีจะประนิพพาน คนเงียไปปฏิภาณได้ต้อเป็นคนมีจิตสะอาดเวลานี้ก็มีลําบากเพาะจิตสะอาดนะของซักพอกมีมากอยากจิตใจกินของพอกกันออกมายังไงเนี่ยพอกจิตก็พอกใจพอกใจนะไม่จิตนะ ใ, ใจมันเป็นก้อนเลยจิต ม, มีนามารรมหรือมาคือพอกมาใจนะคกลัวาว่าต้องจิตสะอาดถ้าจิตสะอาด มันแลก็มันสาดตรงไหนสกปรกตรงไหนต้องรู้จุดพการสกปรกของจิตมีข้อความสะอาดได้ความสกปรกของจิตแื่รากเหง้าความสกปรกก็มีสาหนึ่งโลภความโลภ 2. โสทสะความโกรธสมโมหะความหลงถ้าเราจะไปวิ่านได้จริงๆก็ต้องขุดรากเหง้าทีเล็กทิ้ ถ้าคุณราชเก้ากิเลสสามรายการนี้ทิ้งได้เราก็ปฏิภานได้ถ้าอย่งคุณราชเก้ากิเลสสามรายการนีทิ้งไปไม่ได้แล้วก็ปฏิภานไม่ได้มีการเยคุณราชเก้าคุิเลสก็ต้องตัดโลภะความโลภด้วยอารมณ์ที่ทรงตัวคือจาคานุปกติกรรมคําว่าจารคานุปกตินี่ก็แปลวันนึกถึงการสงเคราะห์นึกถึงการให้ อย่างนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาคิดว่าคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยจะมีความสุขอย่างนี้ยังไม่ได้ให้แต่ใจไม่จะให้ที่เรื่องวิาค า, านุปปิกรรมฐานที่เรื่องว่ากรรมฐานก่องนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาเพียงแค่จิตคิด เอื่นถ้าโอกาสมีจะให้ได้แล้วทรงเคราะห์แต่งกําลังที่จะูะให้อย่างนี้ท่านได้อดาทานนวรารีทอดสายจาาาจใจคาบุตริยนวานีไปจําใจแล้วก็มีานวารีการให้เป็นบางครั้งบังครงาวตโลกายอย่างนี้เป็นการตัดโลภะความโลภ ก, การให้ได้ครั้งหนึ่งนือการคิดจะให้ครั้งหนึ่งเกิดขึ้น เวลานั้นคิดเลยครับจังว่านั้นถือว่าเป็นปัจจัยทําลายความโลภไปจุดหนึ่งถ้าทําบ่อยๆเข้าคิดบ่อยๆเข้าจิตทรงตัวความโลภจะสิ่งกําลังหมดความโลภต้องเข้าใจทำนแะแต่ต่อไปรากเข้าวิกฤตที่สองก็คือโทษาความโกรธโทสาความโกรธที่เกิดได้จากกันเผลอหรือว่าขาด ไม่ตายความรักปรนณาความสงสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเต็มกันก็เต็มหลับก็คือกรมหานสิลเอือหนึ่งไม่ตายความรักสมปรลณาความสงสารสามุสุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสิยาไข่เห็นคนอื่นได้ดีก็ยินดีด้วยแล้วก็สีเบิดขาหวานใช้ ถอารมณ์สีประการนี้ประจําใจความโกรไม่ป่ากฏถ้าเป็นฌานโลกีระงับความโกรธได้ทุกคราวตวามโกรธจะเบาถ้าพูดอย่างย่อๆทําแบบเบาๆก็ขุดการรักษาสิ่งการรักษาสิ่ง น, นี้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจําใจนั่คือหนึ่งเมตตาความรักสองตุนานความสุสารการรักษาสิ่งขั้งหนึ่ง เราตัดความโกรธไม่ได้แต่ข่มความโกรธไว้ได้ชัวคราวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําลายความกําลังความโกรธให้สุ ด, ดัวลงถ้าทําบ่อยๆไม่ใช้กําลังความโกรธจะถอยลงและถอยลงมากก็จะมีความโศกถ้ากล้าไปก้าที่สองที่เราจะเข้าลุกหายก้าที่สามก็โมหะความหลง คือความหลงเป็นบุคคลไร้ไม่รู้เหตุความเป็นจริงขายขาดค ต, ติดกับขายติดกันลึกนึกถึงได้ขายการยับยัง้งแล้วขายการใช้ปัญญาตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่แต่ว่าถ้าค่อยๆใช้อารมณ์จิตจะฉินนก็นคือนึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราจะตายแล้วอะไรสร้างเราจะแบกไปได้ สิ่งที่เรารักทั้งหมดที่เรียกวาคาจริยก็ดีเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็ดีเราไม่สามารถจะแบบเป็นเมืองผีได้สิ่งที่เราจะนำไปได้ก็มีสองอย่างคือความดีกับความชั่วธรรตามาสาที่ใช่กันก็คือบุญกับบาปบุญเมื่อแปลวิธีบาปแปลว่าชั่วดังนั้นเมื่อเรานําไปไม่ได้เราก็จะยับยั้ง ตัยักยั้งใจคิดว่าขึ้นเที่ยร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ความแก่เข้ามาถึงกายกายมันก็ทุกข์ความปราชญนาไม่สมหวังเ ข, ข้ามาถึงกายมันก็ทุกข์ความรุ่นโสมเข้ามาถึงกายมันก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความพักผ้าจากของรักของเจ้าใจเกิดขึ้นก็ทุกข์การกายหมันก็อาศัยมีกาย แต่ทุกจริงๆก็คือตจใจใจไปกากกายมากเกินไปเราก็หาค่อยๆวางคี่ตามความเนจริงร่างกายได้ความจริงมีความเกิดในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่านกลางในที่สุดมันก็ตายก็ใช้กำลังใจกำลังปัญญาเขรับทราบคิดไว้ทุกวันตื่นนอนสมาธิว่าชีวิตนี้ต้องตาย มันจะตายเมื่อไรเราบอกเวลามันได้แต่ว่าเราเตืียพอมไว้จะตายขนาดเมื่อไรก็ตามทีไม่ขอกลับมาเกิดต่อไปจนที่จะไปก็คือมรรคมีอันนี้เปรงไข้่วนนะไหวย่าย่อย่อกระปากกไปยี่สิบหรือสิสี่กว่าอันนี้เวลาที่จะเรียนกรรมฐานาจริงๆก่อนที่บรรดาญาโยมจักทั้งหลายจะภาวนา แก่อนที่ภาวนาก็ใช้พิจร า, ารณาคืออารมณ์คิดเสก่อนว่าที่เราจะต้องการแเดงกรรมธรนมในเราต้องการปฏิภาณแต่ปฏิภาณต้องการบุคคลเช่นไหนคนประเภทไหนที่ปฏิภาณได้ก็ศร า, าบตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าคนต้องมีกิตสะอาจจะโลภตความโลภสะอาจจะโทษสายความโกรธสะอาจจะโมหะความหลง ทีการที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงทป็นยังไงอันดับแรกเราต้องผู้มีสินบริสุทธิ์รู้จักการให้ทานทำลายโลภะความโลภมีสินส่งตัวบั้งบา้งครั้งก็ขาดบั้งครั้งก็มีเป็นของธรรมดาขนาดใดในสินทรงตัวขนานั้นบรรเทาความโลความโกรธถ้าต่อไปก็ต้องมีปัญญา รู้จักทาใจให้ส่งตัวที่เรียกว่าสมาธิก็มีปัญญาใขรควรนตามความตปจริงรงมความนจิตเขายอมรับนักเอขียนกธรรมดาเพื่อกดธรรมดายของชาวโลกมีอะไรบ้างที่เป็นธรรมดาจริงๆเหมือนกันหมดก็คือเดียวเมื่อเกิดแล้วต้องแต่ เกิดวันหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่ไปสองวันอันนี้เป็นธรรมดาขลนชาวโลกยอมรับนับถือธรรมดาวัยต่อไปว่าแก่มากๆเข้าร่างกายว่สิ่งกําลังกําลังน้อยลงไปคือว่าเรื่องธรรมดาให้รู้ตัวว่าเราต้องแก่แต่อยู่นั่งแก่สมาักไหนมาตามมีจิตใจต้อไว้ ว่าถ้าแก่เห็นคนอื่นเขาแก่ว่าถ้าแก่ขนาดนี้อะไรจะทําใจแบบไหนก็คนแก่จะมีความปรารถนาไม่สมหวังร่างกายไม่ดีแรงไม่ดีต้นหัวตายก็ไม่ดีใช้งานไม่สะดวก ต, ต, ต้องเปลี่ยนใจไว้ว่าถ้าเกความแก่จะมาถึงต้องทำยังไงต่อไปกฎธรรมดาของร่างกายมันมีร่างกายแล้วต้องมีป่วยการป่วยธรรมดาเป็นความจริงของร่างกายเราหนีไม่ได้ ต, ต้องรักษายกําลังใจว่าถ้าเราป่วยอย่างเขาจะทาใจแบบไหนคือว่าจิตใจจะต้องไม่กระวนกวายเกินไปถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ทุกขเวทนามีก็รักษาตามหน้าที่คิดว่าการรักษาเป็นการระงับทุกขเวทนาแต่ว่าถ้ารักษาไม่หายมันจะตายก็ตามใจมันถ้ามันตายคร า, า้นี้คือการตายครั้งสุดท้าย เกี่ยวความตายจะไม่มีกําเราอีกนั่นคือเราต้องการกผ่านตาลมจับประยามนี้นะอย่างนี้จิตใจจะเป็นสุขในเมื่อจิตยอมรับต้องถืงีนกฎธรรมดาความมุ่นหมายของจิตก็มีน้อยเพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดคนเกิดมาแล้วแก่ก็ธรรมดาป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นธรรมดาของคน การรักไรจากของรักของกอบใจและเป็นธรรมดาของค น, ค, นความตายเข้ามาถึงก็เป็นธรรมดาของคนทุกคนต้องประสบเหมือนกันหมดตอนนี้จิตยยอมรับรและถือกธรรมดารับเป็นยังไงความวุ่นวายของจิตก็ไม่เกิดเพราะมีความรู้ตามความมจริงว่าโลกนี้เส็นอนิจจังคือไม่เที่ยงถ้ายึดถือเกินไปก็เป็นทุกข์เรามายึดถือมันเสีย พ่อแม่สุดก็เว็นนัตามันตกทงังเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจที่ว่าการเจริญภาวนาคราวนี้เราต้องการนิพพานขึ่งชีวการเกิรดรวมมือคนดีที่วันใดคนดีตรงคนดีจะไม่มีสมา ร, ราวเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ฝึกตามอารมณ์ข อ, อ, องกรรมฐานอรมณกรรมฐานโดยย่อเบื้องตนก็เหมือนกันหมดทุกองกรรมฐานจริงๆมี40สบกอง แต่เบื้องต้นในปฏิบัติเหมือนกันอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเยนรูให้ใจเขาออ้ า, ขารู้อยู่ให้ใจเขา้าให้ใจออกยาวรู้ลงหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกรู้ลมหายใจเข้าก็ดีรู้ลมหาย ใ, ใจออกก็ดีอย่างนี้เจียมีสมาธิในนาปาลุตติแต่ก็ยังถือเป็นการหยาบอยู่ ถ้าให้ละเอียดให้ใจเข้ายาวเรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้โวยอย่างนี้ละเอียดการจม่ดา่ดาใดที่จิดรู้ลมใจเข้าหรือออกขณนะนั้นเชื่อมจิตอยู่สมาธิสมาธิในแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่เป็นกรรมฐานกองที่หนึ่งในกรรมฐานสี่สิที่เรียกว่าอานาปาโนปิกรรมฐาน แล้วจะเป็นกรรมฐานมีความสำคัญมากอีกสามยเกกองจะทรงความเป็นฌานได้จะมีสมาธิได้ตก็สายกองนี้เป็นเป็นบาทรเป็นฐานอยู่ถากว่าเราไม่ยึดถือลมหายใจทอปิงเกลิคิด เ, ออป เ, เป็นสมาธิไม่ได้เพราะนาฬากาตัณฐ์กรรมฐานเป็นนอนฐานป้องการอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตต่อไปพวาภาวนา คำภาว น, นานี้มันดยายากโยมพ็ตบังไปใสกรรมฐานตั้งสี่สิบกองในคำภาว น, นาก็ไม่ใช่สี่สิบอย่างอย่างพุทธานุตตรกรรมฐานนี้การภาว น, นาเป็นร้อยเป็นพัในให้เลือกคำภาว น, นาเอาตามชอบใจแต่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป่นที่เคารพก็ใช้ได้ให้โดยทั่วไปที่ต้อสอนกันในเบื้องต้นมาแก่ภาวนาว่าพุทโธ มีพุโทโธเป็นพุท ธ, ธามีกรรมฐานคำภาวนามนไม่จํากัดแต่ใครภาวนาไปยังไงก็ได้นี่ถ้าภาวนานว่าพุโทโธต้องการจิตในสมาธิเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโทแการให้ใจเข้าให้ใจออกกอดีจงยาบังคับลมให้ใจ การแยกจิตไปรับทราบลงหัวใจเข้าลมหัวใจออกก็เพื่อต้องการสมาธิการตั้งใจมัน่นคือตั้งใจรับทราบว่าเวลานี้ ใ, ใจเข้าหรือเวลานี้ ใ, ใจออกและนั่นเป็นสมาธิแล้วถ้าต่อไปถ้าบภาวนาด้วยให้ใจเข้านึกว่าตัวให้ใจออกปึกวัดโผล่หนาดใจที่รู้ดูรู้ลงหัวใจเข้าออกก็ดี รู้คำภาวนายก็ดีเึงทราบว่าเวลานั้นจิตสมาธิแต่เวลาจะเริญสมาธิก็มันดา ย, ยากโยมพุทธบริษัทจงอย่าสนใจกับคำว่าฌานเกินไปความจริงคำว่าฌานไม่เป็นของดีแต่มันเอิญท่าคิดว่าเวลานี้ฌานเล็กเวลานี้ฌานไม่ใช่ฌานเล็กชานหนึ่งสองสามสี่ถ้าจิตไปสนใจกับฌานมากไปจิตจะวุ่นวาย ให้ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาธรรมสายกันกลางการทรงสมาธิไม่ต้องใช้อารมณ์เครียดอารมณ์เครียดจะเหนื่อยเกินไปเยือ่อตัดมากเกินไปให้ใช่รมแคบหมดสบายจะไปตามแค่ใจเป็นสุขให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่รู้คำภาวนาตาม ถ้าจิตใจวันนั้นได้แค่ไหนพอใจท่านั้นแค่โอเคสุขอย่าไปคิดว่าวันนี้ทรงสารหนึ่งวันนี้สงสารสองท่านสามท่นานสี่สมมติว่าวันนี้เราไม่มีเวลาพักก่อนแต่กบไปการบันเอิญเวลาเจริธนาปามุติี่กรรมฐานมันดีทอนนายกาตามจิตเป็นสุขมากแต่พอวันรุ่งขึ้นคิดว่าวันนี้เราจะพักก่อนให้ดีทําให้ดีกว่าวันนี้ อย่างนี้ถามคำว่าฟังว่ารักจิตตั้งใจที่จะทำดีเป็นอารมอารมณ์ฟุ้งซัานวันนั้นไม่สามารถจะคุมสมาธิได้เลยดังนั้นเขาวรรดาเต็มพุวิสัตธ์เวลาจะเรียนสมาธิคอยปล่อยใจตามสบายอย่าเร่งรัดใจอย่าคิดว่าจะทําขนาดไหนตามมีเวรมันจะผูดทรงชานพูดทรงชานจริงๆก็สามารถบังคับจิตได้ส า, สามารถบังคับสมาธิได้ ต้องไกลขนัดไหนก็ได้นั่นพวกกล้องตัวแล้วถ้าฝึกใหม่ๆจงอย่าบังคับจิตเวลาที่เราจะเดินที่ทําแบบเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นี้รู้ลงในใจเข้าออกก็ดีรู้คํภาวนายก็ดีท่านเรียกว่าสมถภาวนาคือเมื่อลมสงบใจท่ทานจะถามว่าเราทําแบบนี้จ ะ, จะเริ่มมีภาวนาอย่างด้วยได้ไหม ก็ต <S an> ้องตว่าการรั่การเกิดในโลกเป็นทุก็ดีในโลกนี้เปรียนิจังไม่เที่ยงก็ดีอยู่ในโลกนี้เป็นมรดความทุกข์อยู่ในใบเยาว์ปงก็เป็นมรดิความทุกข์ก็ดีเป็นเทวดาพระพรหมีความสุขเมีความสุขไม่นานพอหมดคุณบาสนามารีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่หือก็ดียึดต้องการไม่ได้ตายก็ดีอันนี้คือมิบาสนาอย่าง แต่ความจริงที่ปัฒนาญาเนี่ยขึ้นต้นก่อนที่ปัฒนาคือตัวปัญญาต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนแล้วการเกิดเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมีนึกว่าทุกเนี่อะไรบ้างอะไรก็ตามที่มีการขัดข้องในงรมสิ่งนั้นเป็นทุกมีการทำํำร่างกายไม่สมบายชิงนั้นเป็นทุกอะไรก็ต้องคิดว่าทุกอย่างนี้จะเกิดแต่ก็สายความเกิดโดยสําคัญ ถ้าเราไม่เกิดมาอย่างนี้ทุกอย่างนี้ไม่มีแดนใดที่มีความสุขแดนที่มีความสุขจริงๆก็คือความและนี่คือเรื่องปัญญาญรวงความการทําครั้งเดียวก็ต้องมี ท, มทั้งศีลสมาธิปัญญาเรื่องศีลมีความนั้นคันทนะั้งศีลบกคล้องสมาธิไม่เกิดถ้าเกิดมาเดียวเดียวมันก็สลายตัวเพราะการบกคล้องทัง้งศีลแสดงว่าจิตมีความมึนวายรุ่มร้อนมาก ถาหากว่จิตทรงศีลมีมีเมตตาความรักบุญนายความสงสายควบคุมที่ก็มีความเยอกเเมื่อมีธรรมะสมรรการควบคุมใจอย่างมีจิตก็เป็นสุขมีความเมตตาสมาธิเกิดเมื่อศีลมีการทรงตัวสมาธิก็เกิดขันนึ่เมื่อสมาธิเกิดขึ้นและปัญญาก็เกิดขันอ์หนึ่งด้วยกันโครงความการเจริญกระบวถายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้นะ พูดไปพูดมาพูดมาพูดไปคนพูดเองก็จำมันได้คนฟังจำได้ไหมนะ ไ, ได้จำเป็นฉันพูดถ้าบอกจำไม่ได้ฉันนั่งโนยจำไม่ได้แล้วค้ณรียนจำอะไรก็ลงความว่าวันนี้ก็ขอสรุปก็ก่อนจะอวาวนาให้ทุกคนยอมรับความเป็นจริงว่าการเกิดในลโลกสนกษมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสง เวลาเข้าใจว่าสุขมันไม่สุขจริงมันอมมันมาประกอบกับทุกข์เข้ามาด้วยความเกิดก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความตาตัณหาไม่สหมหวังก็ทุกข์ความรักพรรคร่เจ็บของรักของโชคใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ถ้าเรายังต้องเรียนไหวใจเกิดในวัฏจักรเพียงใดเราก็ทุกอย่างนี้มื่นเปรื่อง เทวดากับพรมมีความสุขจริงคือสวรรค์ก็บพรมโลกก็มีความสุขเพียงในขณะที่เปอยู่สวรรค์ก็ดีพรหโลกก็ดีไม่มีทุกแน่แต่ว่าทุกข์จเกิดขึ้นกับท่านูนนี้ในเมื่อหมดคุณธศาสนาบออกการมีพอใกล้ได้่จุดติ่ก็เกิดความไม่สบายใจเพราะจากความ เ, มามเป็นเทวดาและพรหมไปแล้วละะมันจะอยู่ที่ไหนถ้ามองดูโลกมนุษย์ก็เต็มด้วยความทุกข์ มองในไปภูมิหาสุขไม่ได้เลยนี่มีการผ่อนคลายตัแล้วตัหาความเป็นจริงว่าแดนที่ไม่ทกข์มแดงเดียวคือปฏิภานเราปฏิบัติปฏินาณยังไงก็หนึ่งเราจะมีสิ่งไม่บริสุทธิ์มันอาจจะมีสิลงไม่บริสุทธิ์ตลอดวันก็ไม่เป็นไรมีความจำเป็นถ้ามีอยู่ก็เวลาไหนที่รักษาธิเรื่อาธิเรื่องเร่ความจิงใจให้บริสุทธิ์ ถ้ารการนสองเลนลานั้นคุณจริญสมาธิจิตเริยนสมาธิจิตทําใจเบาๆส บ, สบายๆหายใจเข้ารู้อยูห่หายใจเข้าให้ใจออกรู้อยูห่หาแใจออกแล้วควบควบคำภาวนาคำภาวนาที่ไม่ยึดกัดถ้ายังไม่มีคำภาวนาใช้คำภาวนามาคุโ้โถงห้ใจเข้านึกว่าพุทเป็ น, นออกรู้ตัวแค่สบายแต่ภาวนาไปภาวนาไปแลทบเอิญจิตกเ็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้อยู่ให้เลิกเส้นจะฝืนแต่ฝืนจะมาโลกสมศาสตร์น้าถ้ากาลังใจมีความสุขพอที่คลายจิตสมาธิก็ใช้อารมณเวลานั้นจิตบริสุทธิ์มากเขากาลังภาวนากดาานน็ดีเราสมาทานสิ้นแล้วจิตเริ่มบริสุทธิ์พอเรื่อมทำสมาธิตอนนั้นวิวร์ไม่กวนใจพิเลกิยาไม่กวนใจจิตบริสุทธิ์ กันกำลังสมาธิขยายตัวกระทิดในใจย้อนพื้นความเป็นจริงมาการเกิดในรูปสันโลษมันจะทุกข์เราไม่ทำการมันมีนายอบายและภูมิทั้งหมดเป็นทุกข์มากทำให้ทำการมันมีกายไม่ใช่วันดาหรือคมมีสุขนี่แหละแต่ว่าสุขไม่นานทำให้ทำการไม่เราต้องการจดเดียวคือมีธลังทใจไว้เพื่อหนึ่งพลังก็คือขันต์ตาไม่ไปเอาลายสมาธิ ยันนั่งยนนอนยันยืนจะเดินยันต่างสบายพอใจสบายแรงก็นมมึก ใ, มมในใจว่าวิปปนประดดแความสุขเราตั้งใจื่อนะปั่นเปนยังไงก็ตั้งใจภ า, าวานาเบาๆ ว, ว, ว, ว, นะ ว, ว่านิพพาน้ะสุขครั้งในใจนะทางานไปด้วยทุกทัพทไปด้วยฟัามคิดไปด้วยบันไดพรก็มีกาลังใจคือเงลนึกในใจว่นิพพานจะสุขครัง้งนิพพนสุขังอย่างนี้ต่อไปที่กาลังใจทรงตัว คอยเค ย, เคยทำทเพราะเราคิดเขาก็เปิดไม่ช่าอารงณ์จริงจะเกิดขึ้นในเมื่อครามความจริงเกิดขึ้นก็เป็นชาดรอไปจิตใจก็รัก ม, มีฝันไม่รักไม่ไันฝันไงแล้วปีอุ่กลับอารมณ์ต้องการยยา ม, าามกกีพยยันจริงพยายามตัดตโลภะความโลภก็พยายามตัดตสวใส่ความโกรธพยายามตัดมัวต้องหลงในเมื่อความพยายามเกิดขึ้นก็ช่อยว่ามีกําลังตัดแล้วก็เกิดตัดเรียนน้อยแต่น้อย ถ้าทำใจอย่างนี้ไม่พอยจจะมีอารมณ์จิงเวลาจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระหัตถ์อยู่ใกลยย้เวลานั้นปฏิพันธแน่ถ้าจะเห็นว่าหังอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรถ้าเห็นทรงอยู่ใกล้ถ้าตายจะท้าบนั้นตายแล้วถึงทร ง, งเห็นทรไกลห่างหน่อยก็ไม่ไรเห็นเจ้รดาอยู่ใกล้นางฟ้าอยู่ใกล้ยังไป็นจริงเป็รดาเรืนางฟ้า ถ้าเห็นว่าคนมาสี่คนเป็นผู้เชิญท่านระวังไห้นี้นะถ้านุ่งแดงใส่แดง น, นัพร้องเธอไม่เป็นไหลไปแน่แน่ตอนนี้ไฟวันใดญาติโยมพุ้ธบริสุทธิหลายแตงกาสมาทานทีพสมาทานะมตะานวันนี้เกิดแดงแดงโดน